บุญเป็นที่พึ่งของชีวิตสิ่งที่ได้รู้ได้เข้าใจตามมาก็คือบุญเป็นที่พึ่งของชีวิตสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแต่ปริมาณบุญต้องเหมาะกับสถานภาพจึงจะแก้ได้เมื่อก่อนอาจารย์แดงอาจารย์พิทระวันถามว่าทำไมพี่นิดเที่ยวบอกให้คนทําบุญมากๆก็อธิบายไปว่าการใช้นิกรรมก็ต้องใช้ให้ได้ปริมาณตามนี่หรือมากกว่าเขาถึงจะเอาหสิกรรมให้ และทาสำเร็จทุกครั้งนะใครมีปัญหามาปรึกษาเช่นครอบครัวแตกลูกหนีโรงเรียนเรียนจะไม่จบเจ็บไข้ได้ป่วยและอื่นๆก็จะแนะนำไปเช่นนี้ยกตัวอย่างคนรู้จักกันรายหนึ่งแม่โคม่าเข้าห้องไอซในตาเหลือกค้างเขาโทรศัพท์มาหาตอนสิบโมงเช้าถามว่าจะทำอย่างไรดีสงสารแม่ในตาค้างข้าพเจ้าก็แนะนาไปว่า เธอขายที่ได้ตั้งหลายล้านเขียนเช็คสักแสนหนึงไปถวายหลวงตาพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าที่สวนแสงธรรมเขาก็เชื่อพอไปดูตอนสายในตาแม่หายเป็นปกตินี่แหละปริมาณบุญต้องให้เหมาะกับสถานะอันนี้สาคัญมากทำให้พอเหมาะกับสถานะของตนบุญจะจัดสรรให้เองก็เหมือนกับคนเราจมูกกาลังจะจมน้าอยู่แล้วถ้าไม่ใช้แรงบุญหนักๆ ก, กระชากขึ้นมามันก็จะจม น้ำเข้าจมูกตายพอดีข้าพเจ้าจะแนะนาคนเรื่องศรัทธาเรื่องบุญของชีวิตซึ่งการสอนคนแต่ละระดับก็จะไม่เหมือนกันอย่างเด็กๆวัยรุ่นก็ใช้วิธีถามเขาว่าเขาอยากมีความรักที่ดีไหมถ้าอยากมีความรักที่ราบรื่นให้เขามาสร้างบุญสร้างทานด้วยกันบ่อยๆต้องสอนตามสภาพเขาข้าพเจ้าไม่ได้แนะนำให้ทุกคนต้องมาอยู่วัดถือศีลแปดไม่แต่งงานแต่งการ สอนอย่างนั้นไม่ได้เพราะสภาพของคนเราไม่เหมือนกันหลวงตาท่านบอกว่าการสอนคนตามทฤษฎีแบบปริยัดอย่างเดียวดึงคนมาเข้าวัดทำบุญไม่ได้ต้องเล่าจากเรื่องจริงจากชีวิตจริงๆให้ฟังเรื่องนี้เป็นอย่างไรทำออกมาแล้วเป็นอย่างไรผลออกมาเป็นอย่างไร